ย่อมเป็นไปตามอำนาจของสิ่งสิ่งเดียวคือจิตวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปดูก่อนอาน o น์ถ้าวิญญาณจักไม่ก้าวลงสู่ท้องของมารดานามรูปจะพึงเกิดในท้องของมารดาได้หรือซึ่งพระอานน o ์ก็ทูลตอบว่ามิได้พระพุทธเจ้าค่าครั้นแล้วพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่า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 หรือแปลว่ามีความเห็นว่าเที่ยงไม่เปลี่ยนแปลง